เลี้ยงไม่ไหวเปล่าขึ้นมาเลี้ยงไม่ไหวเพราะลูกทีมถึง 300 คนหมดงานละ 2 ครับตอนนี้นะผมๆบนป๊อกต่อขออีกให้ 36 งาน หางานโปรดนี่ 36 งานแต่บอกว่าถ้าหากต้องเป็นโคนนะต้องเป็นโคนอะไรทั้งสิ้นต้องเป็นประจําไม่เอาหนังสือ ถ้าผมไม่เอาหนังสือไปขายหน้างานครับไอ้พวกหน้าผมไปเผาะขายแน่นอนๆเกรดรู้ แล้วซื้อจากอาจารย์เราไม่มีขายเพราะฉะนั้นคนขายเค้าก็อยู่อีกฝั่งนึงนะเห็นนะครับตรงนี้กันบางคนไปที่สมัครนนทบุรีนนทบุรีบอกว่าขอซื้อสื่อแล้วปีหน้ามัน มันมีฉบับนั้นครับเล่นกันถึงนะหนังสือครับเพราะฉะนั้นบางครั้ง คือบอกนะอันนี้ก็เหมือนกันมีหลายอืมคือบอกลงใจไอ้คนผมบอกถ้า มันเป้มันไม่ได้หรอกผมไม่ได้ว่าคุณแต่ผมว่า แต่กฎกติการะยะเวลาอีก 90 วันไงมันก็ได้โอกาสของมหาชนหรือผมนี่ อยู่เยอะกฎหมายที่แบบนี้นะแก้ไขฉบับที่ 2 และฉบับ 3 ด้วยนะครับเปลี่ยนนิดนึงครับ 2 และ 3 ผมว่าเป็นข้อสอบในข้อนี้รัฐธรรมนูญนะครับเป็นกฎหมายสูง แต่เขาบอก 16 กําลังจะกลับแต 2540 40 เป็น 16 ของช่วงคราวที่ 8 เพราะฉะนั้นถ้า อส. ก็ถามมาว่าแล้วจํานวน โดนรับโดนแก้ไข 2 ฉบับจํานวน 7 มาตราวงกลมให้หน่อยจํานวน 7 มาตรากําหนดที่ 9 1 แก้ไขใน 7 มาตราฉบับที่ 1 แก้ไขจํานวน 6 ครับอยู่ 6 ฉบับที่ 1 มาตรา 9 นะครับนี่คือถ้า 7 มาตรา ซึ่งที่สภาเดียวแก้ไขเปิดหน้าหน้ามี 500 คนของเดิมคือกี่คนครับผมส่วนส่วน จำนวน 375 คนของเดิมมัน 400 สมาชิกซึ่งมาจากคนเดิม 80 คนตัวนี้ 6 แล้วหมวด 9 เค้าแก้ไขอยู่ในหมวด 9 นะครับนั่นคือมาตรา สัญญาสันติภาพสัญญาสมบศึกและสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศหนังสือสัญญาใดที่มีการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยเขตท้องมาทําใส่กรรมสิทธิ์นั้นตอนนั้นครับผม ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐบาลก่อนที่จะทําได้นะครับผมพวกนี้ครับต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐบาล นะครับใครเป็นคนลงนามหน้าโดยใครอ่านอย่างงั้นท่านไปดูหมวด 7 เลยนะ 7 นั่นคือข้อข้อที่หน้า 36 ข้อ 15 หมวด 305 มาตราก็มีอ่านเป็นข้อสอบกันครับหน้า 36 นะครับข้อ 17 หยิบไว้หน่อยนะเดี๋ยว 15 หมวด 305 มาตรานะครับขอ 7 มาตราซึ่งจะมาแก้ไขเป็น 7 มาตราก็ไปเลยแก้ครับแก้ไขไป 7 มาไปอยู่ในหมวดที่มาไป 16 ภูมิหมวด 16 พระราชธรรมานะก็แค่บอกที่ 6, 6. มาตราที่ 93 มา ที่ขอแก้ไขท่านจะมาแก้ไขมาตรา 193 ถึงมาตรา 28 แล้วหมวด 9, แล 9 ก็ขอแก้ไข 1 5, หมวดที่ 9 หมวดที่ 11 น่าเสียใจมากนะครับอ่ะไปดูเนื้อหา 18 นู่นสับก็ 1 นะครับไม่มี หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์ท่านภูมิพลหน่อยครับพระมหากษัตริย์ในบท 2 หน้าเป็นข้อสอบรายงานในเรื่องคือคณะองค์พระมนตรี 28 คนประกอบเป็นคณะ delve. JUST And if youτάborn Government from want questions that PM of ethnic law here is be to ask you удив 구독 at the John T. Lab him a 30- Hughie ofock, There are no few people that are asked to say If sate ones that PM각Ford, there should be a million people But question for questions that PM behind us is how concerned about After all Mr. Santana young people at questions being 18, If you think there is a เรียนเชิญอาจารย์มนช่วยและคณยามานิภัยครับยอมทิ้งเลยกองนะนักศึกษาทางใด ทางรัฐสภาคําว่ารัฐสภาก็คือ 3 ทาง 3 3 ทางทั้งนี้นะครับอํานาจ 4 ที่ไม่ใช่ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจทางคนรัฐบาลนั่น 3 ทาง 4 ศาลเรานี่โอเคเนาะพระ 5 หมวด 2 ทรง ประธานภูมิมนตรีและภูมิมนตรีอีก 18 คนรวมเป็นคณะภูมิมนตรีอาจารย์เกียรติจะบอกว่าถ้าข้อสอบถาม 19 คนระหว่างไม่เกิน 19 คน ท่านครับมีประกาศแถลงบอกไปอีกว่าเดี๋ยวนี้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีประธานองคมนตรี 38 สิทธิ สิทธิหมายถึงสิ่งที่คุณจะได้รับใช่มั้ยครับความหมายนั้นคุณได้รับอะไรนะครับเสรีภาพสิ่งที่คุณพึง 4 เพราะฉะนั้นหน้าที่ของชาวไทยเรากําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รักษาผลประโยชน์และรักษากฎหมายไม่ทําผิดกฎหมาย 3 เห็นมั้ยครับต้องไปใช้สิทธิ์เลือกถ้าไปครับเสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นที่นะผมผมจะให้อาจารย์ชิราดูที่กลุ่มท่านดูที่หน้า 40 คนจําเป็นมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการได้ 3 ไมล์และกว่า 12 ทีที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพไม่ มีปีระบบ 15 ปีนะครับเหลืออีกฟรีเรียนฟรี 15 ปีครับผม<ป> 12 ปีเค้าทําได้แล้วปีนะแต่ปี<ได> 15 ปีปี ไปดูข้อที่ไปไป 5 นี่คือเสรีภาพสิ่งที่เธอพึงจะทํา การที่คุณจะเรียน ม.4 ม.5 ม.6 จนถึงเนี่ยครับตั้งแต่ ป.1 ไปดูหน้าที่ 11 หน้าที่ของเราวันนี้คือหน้าที่ที่ 4 ครับบุคคลมีหน้าที่รับราชการทหารมั้ยครับนี่หน้าที่ ช่วยเหลือในการป้องกันและบันเทาภัยนี่ 3 ลงคือการสัมภาษณ์บังคับเป็นหน้าที่คือทั้งหมดครับแม้กระทั่งอนรักษ์ทรัพยากร ไปตั้งเนี่ยนะเป็นหน้าที่ไป 5 อาจารย์ A อยู่ในกรณีนี้นั่นคือ จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสียก่อนพอแถลงครับ เวทภาษาอังกฤษคือชนะครับผมภาษาเราก็มันก็ฮวกเพื่อนหน้าที่ยิ่งรักชินวัตรประเด็นคือสอบหน้าเกิดว่า 23 วัน 6 2554 ครับตรงไหนไม่บายเปิด แปดท่านรัฐมนตรีมีอยู่ 8 นโยบายได้บอกในใบข้อมีอยู่ 16 ข้อครับตั้งใจว่าอะไรมีอยู่ 16 ข้อแล้วทําปีนี้ 16 ข้อมีอะไรบ้างเราไปดูรายละเอียดกันนโยบายของเราครับอยู่นโยบายข้อที่ 4 ครับผม หน้าภายที่ 4 ก็คือนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตท่านเขียนหน่อยหน่อยครับนโยบายการศึกษาอยู่นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต you 4 ซึ่งนโยบายการ 7 ข้อมี 7 ข้อ อาจารย์เขียนใหม่นะครับว่าเขียนให้หน้า 2 เลยครับมี 8 นโยบายทั้งทั้งหมดนะครับในใบเล่มด่วนที่เป็นการในปีแรกข้อเลย 4, 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตท่านพงษ์พงษ์ใบสังคมคุณภาพชีวิต 7 ข้อ ก่อนที่จะไปรู้จักนโยบายของของคุณที่ 15 ยังไงที่จัดที่ 15 ต้องรู้ 15 นั่นคือครับนายสมศักดิ์ประธาน สมศักดิ์แล้วคนที่สองสุรนนท์แล้วคนที่ 2 เจริญใครสอบพันแกนได้สมศักดิ์เป็นซ2 พอดีที่แท้ก็เป็นประธานสภาแทนราษฎรสมดิษฐ์ที่ 5 นะครับผมแต่เค้าเป็นประธานรัฐสภาคนที่ 9 เนื่องจาก คนที่ทําไมของโลกครับผม นายกรัฐมนตรียิ่ง 52 ของโลกยดีเป็นรอบเพื่อนใหม่ของเรานะ 5 สิงหาคม 54 66 หน่อยครับ 5 สิงหาคม 54 นะครับนะรู้อีกแล้ว นายกรัฐมนตรีก็จะเสนอแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งรัฐมนตรีคุณจึงรักเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีพระวาสัตว์ รัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับนะหน้าที่ 178 และเป็นชุด 60 ของประเทศไทยครับคณะรัฐมนตรีชุดนี้ครับเป็นชุดที่ 60 ของประเทศไทยนะครับชุดที่ 60 ครับ เพราะงั้นเราก็ควรมาทราบครับหน้า 19 คือเราได้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการหน้าที่คนใหม่ของเราก็ 2 คนเคยเป็นข้อสอบเจ้าหน้าที่นั่น ผมไม่รู้ไม่รู้ว่าคนบริติชอ่านอ๋อครับครับผม 3 แต่ถ้าถามว่ากระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีกี่คนเรามีรัฐมนตรี 3 เป็นนายกนี้นี่ๆมันต้องไปจําให้ปวดสมองนะครับ 9 สิงหาคมเป็นชุดเรื่อยใหม่ของประเทศไทยครับผม 60 60 ของประเทศไทยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเรานี่เป็นคนที่เท่าไหร่ 54 ของผมท่านไปดูรบไปดูนโยบายของคุณที่ 16 ข้อครับที่ 16 ข้อครับในปีนี้คุณจะรับต้องทําให้ครับหน้าที่ 7 มันมีโอกาสไงครับ 16 ข้อข้อที่ 1 ครับสําคัญเลยคือว่าอะไรครับผมปองดอกครับถ้าข้อสอบถามว่า 1 คือสร้างความปรองดองสมานฉันท์นะครับผมคร 1 ครับผมคร 2 หน้า 8 คือดิ <เอ อ, S 1> 8 หน่อย เขาจะมีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นครับ นายคณิตชื่อวิชา 1 นี่แหละคณิตนครนายคณิต 2 ครับทีนึงครับเค้ากําหนดให้ ข้ออะไรที่เป็นวาระแห่งชาติคําว่าวาระแห่งชาติคือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนถ้าไม่ดําเนินการแล้วรัฐจะเสีย 2 ของ เรื่องก็กล่าวพร 4 ครับส่งเสริมการจัดที่ 5 ดูนะคร 5 อ่านกี่ได้หน่อยนะเร่งนําสันติสุขความปลอดภัยใน 6 เล่นเพื่อสถาบันและภาคต่างประเทศสหบุรีแล้วว่าประเทศใดจะเป็นประเทศแรกดูนะ 2558 ดังมากครับฮอตมาก เพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นประชาคมอาเซียนเราต้องมารู้จักกลุ่มท่านนายกไปเยือนประเทศใดแต่ไหนประเทศ นะครับเอาละเรียนทุกคนไม่รู้ว่าเป็นไรกันนะ<ๆ>นะ 2500 258 หรือ ค.ศ. 2015 ถ้าเป็น ค.ศ. ก็ได้ ค.ศ. 2015 ครับผม 30 ขึ้นมามา อาเซียนภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่านออกเลยกลุ่มประเทศอาเซียนมีกี่ประเทศระหว่างกับพมณ์คงไม่ใช่ ประธานอาเซียนปีนี้ครับประเทศอินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนนะครับปีนี้ปี 2544 ผสมผสานกันอย่างหลากหลายที่จริงๆเลยปีหน้าครับภูมิภาคเอเชียนะครับมหาภัยครับจะเปิดพร้อมกันทาง ท่านท่านไม่ต้องเถอะครับในราชบักประเเลยครับเพราะถ้าทางเราจะ 4 ข้อที่ 5 หน้าสําคัญคือประเทศคู่เจรจาบวก เนอสเละน่ะนะครับโอเคนะอาจารย์ให้ดูแล้วเราพุ่งสู่อาเซียนปีไหนครับพุ่งสู่ 2015 เขียนเพิ่ม 3 ด้าน ใช่มั้ยครับใน 1 คือด้านของเศรษฐกิจด้านที่ 2 คือด้านความมั่นคงและ 3 คือด้านสังคม 3 ด้านครับต่อไป เนื่องจากมัน 16 ข้อข้อ 6 นั่นคือฟื้นฟูความครับผมครับ <ส าม. S 1> จะเรียกความมั่นคงวัฒนธรรมมั้ยโอเคครับผมค่ะโอ้ยดีมากก็ออกมานะมฤธโณภ์ผสมมนุษย์ทั้งท่านไม่ได้ 1.7 ใน 1.7 ที่แก้ นะผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อเค้าทําอะไรบ้างครับดูนะครับเค้าทํา <heute figuring out> ต่ำกว่า 500,000 บาทจาก 130 บาทคิดไว้หน่อย 1.82 นี่ครับเพราะประกาศ ประกาศวันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งที่สนามราชมังคลายน์บอกว่ารายงานมีรายได้เดือนละไม่นี่ 1.83 เป็นได้ใบ ซึบลบอยู่ในกรณี <ม. S 1> 60 ถึง 69 ปีจะได้ 600 บาท 70 79 ปีจะได้ 80 89 ปี 8 ได้แล้วก็ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาทครับผมไม่ รุ่นจะได้ 100 อัลฟ่าเลยนะครับแต่ครับข้อที่ 9 ปรับลดภาษีก็ได้ที่ 9 ข้อ 10 ไปอ่านเอาข้อ 11 SML ในหน้า 11 เห็นมั้ยครับผมลืมลืม ข้อที่ 1.1 24 SML นะครับจากสรรพภูมินเข้ากองพัฒนา SML 300,000 400,000 และ 500,000 นะครับ SML S คือ small, small ใช่มั้ยครับสมอลเล็ก m, m medium L คือ large ครับใหญ่กลาง 12 ครับนโยบายที่ 12 ในส่วนคือ แหล่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งใน 2554 ถึง 2555 เป็นปีมาตราจรรย์อ้าวน่าสนใจมากครับโอเคครับผมไปครับเกี่ยว เรื่องบทที่ 5 ขึ้นจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่นัก ป. อะไรครับผม ป. 1 ป. 2, 1 แท็บเล็ต รัฐธรรมนูญจะเรื่องรัฐธรรมนูญปี 2555 1.16 ครั้งจะเถียงกันในตอนนี้เร่งรัดและ ในรายบาลเองนโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการแล้วนะครับนะแล้วในรายการศึกษาของเราอยู่ในภาย 4 ท่านเปิดหน้าที่ 13 ขึ้นมาครับนี่คือ 4 ชื่อว่า 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 ได้ครับขอบคุณมากถ้าอ่านได้ไม่ต้องกระตีได <c oughs> 42 <c oughs> รัฐบาลชุดไหนที่ 5 จําไว้ <c oughs> 5 แนวนโยบายพื้นฐานครับไม่ถ้ารัฐบาลใดไปแถลงได้บายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญไปครับถือว่ากระทําผิดต่อ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณจริงครับคินวัฒน์ได้แถลงหน้าใบเมื่อที่ 23 23 สิงหาคมมีกี่ผมโอเคทุกท่านเก่ง น่าสนใจเป็นกันครับถ้าท่านเขียนหมวดที่ 2 พระราชาท่านเป็นหมวดที่ 6 แล 2> 6 แล้วเปลี่ยน 650 คนครับสมาธิรัฐธรรมเพราะเป็น ส.ส. 500 สว. 150 ให้ท่านแก้ใหม่นะ 73 คน 73 คนแบบเลือก 77 คนเลือก 77 เพราะจังหวัด 1 คนนะ ในหน้าข้อสอบก็ถามว่าสมาชิกรัฐสภามีกี่คน 650 คนจะเป็น ส.ส. 150 เป็นเป 2 ข้อ สมศักดิ์เกียรติสนองประธานคุติสภาคนปัจจุบันคุณเอกธีรเดชมีเพียรเขียน คือท่านสงสารเกียรติสุรโนนคนท่านเป็นประธานอุทิศสภา ผ่านท่านเปิดหน้าที่ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และ 8 ครับน่าสนใจมากหมวดนี้สําคัญนะคนออกข้อครับก็คร 500 คนผ่านมั้ยอ่าบุคคลผู้ใด แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงชาติต้องแปลงมาแล้ว 5 ปีมี 10 2 อายุต้องไม่ต่ำกว่าอย่าตอบว่าไม่น้อยกว่านะครับอายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ใน 1 มกราคมของ 3 3 กรกฎาคมใช่มั้ย เป็นได้มั้ยทดสอบอ่ะเป็นได้แต่โคราชโดนประเด็นใครใครนี่เป็น ส.ส. ที่โดนประเด็นคนสุดคือคือ คือเขาเรียกว่าอะไรนะก่ายเตะใหม่อ่ะเพราะว่ามันเกิดเรื่องตั้ง ไปดูคุณสมบัติของคนมีสิทธิเลือกตั้งนะครับข้อที่ 3 ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตนั้นๆครับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับ ผู้มีลักษณะทั้งต่อมานี้ในวันเลือกตั้งครับเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้แทรกติตั้งในวันเลือกตั้งครับเป็นพระ เรื่องข้อที่ 2 ครับอยู่ในระหว่างพืชถอนศีลสั่งไม่มีสิทธิ์ 3 ต้องคุมขังโดยหมายของศาลนี่เนี่ยเนี่ยที่เข้าไปเป็นครับ วิกวจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเค้าดูบทกฎหมายครับนะครับอย่าไปบอกว่าไร้ความสามารถเสมือนไร้ความสามารถมั่วนะครับนะเพราะฉะนั้นครับเป็นบุคคลต้องห้ามมี 5 ข้อ 1 ข้อมีสิทธิ์สมัครรับเลือก ก็ขีดไปไปอันนี้เธอก็ 11 และ 12 และข้อ 4 ปีนับแต่วันเริ่ม จุดนี้ก็นักตั้งแต่วันที่ 3 ชุดนี้ก็รับแต่งตั้งที่ 3 ครับ 3 พฤศจิกายน 6 สมาชิกภาพของ 4 ปีแล้ว 45 วัน ท่านวงศ์ๆครับวงศ์ 2 ครับคุณอภิสิทธิ์คมตรีนี้ครับเพราะมหาสัตว์โซ 4 ไงที่บางคนชอบเถียงว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เราคนจริง พระมหากษัตริย์มีอำนาจแต่คนทูลก้าวคือนายกรัฐมนตรีทำเป็นพระราชกิจสภาวันแต่ 60 วันวันแต่ไม่เกิน 60 โอเคอันนี้เป็นเตรียมบริการข้อสอบไปแล้ว 49 วุฒิธภาครับมี 150 คนเป็นยังไงท่านรู้แล้วท่านปีบริบูรณ์นะครับถึงเท่าไหร่นะ 15, <20. S 1> 25 25 ปีรัฐมนตรีรัฐมนตรีอายุไม่ต่ําปีครับผม 30 5 ปีสสไม่ตามว่า 25 สบไม่ตามว่า 40 รัฐมนตรีก็ตามว่าครับ 5 ปีไม่เคยเป็นประเด็นประกอบหมายชํานาญนะข้อ 1 ข้อ 2 หน้าที่ 52 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของ 1 ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 10,000 คนข้อที่ 2 ประชา 20,000 คนมี 10,000 คนเข้าชื่อร้อง เพื่อให้มีการให้สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครับ กตมากับท่านท่านครับฮะเรียนครับปกติตัวนึงครับ 20 ลงชื่อผู้ต้อง 20,000 คน 20,000 แต่ถ้าสามารถลงชื่อทําล่าง 53 ครับอันนี้ รัฐบาลจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 1 คนและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่ 35 คนเป็นคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็ 35 คนแต่ถ้าข้อสอบถามว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้มีคณะรัฐมนตรีกี่คนไม่คนต่อไปทุก กรณีนี้เขาสามารถก็ออกมาสอบคุณได้ว่าปัจจุบันคุณดิ้นรัสครับผมแต่ง รัฐมนตรี 9 3 มี 4 คนนะครับรองนายกด้วยนะรัฐมนตรีมี 3 นายก อ่ะไปพรรคร่วมรัฐบาลมีอยู่ 5 พรรคมีพรรคอะไรบ้างครับเขียนน่า ประธานที่ปาร์ไปฐานเขียนได้ครับเนาะน่ะบ้านทุกภูมิชวิทย์รัฐ เคยไปข้อสอบนั้นแหละอาจารย์ก็สอบได้คิดว่าเป็นสิวรัฐธรรมนูญเราสืบเสริม ห้ารัฐสันติ 6 เออหมดแล้วพรรคร่วมครับต่อไปพรรคร่วมรัฐบาล 1 เพื่อไทย 2 คุณอรรถานันท์ 3 พุสวัสดิ์ชาติ 4 พรรคพลังชน 5 ครับ ภาษาไทยประไหน่อยครบหมดพอดีเอานี่ 5 พรรค 300 คนที่ 100 เป็นฝ่าย 500 ก็เอา 300 ลบออก 600 เนาะเปิดหน้า 17 ขึ้นมาครับนี่ง่ายเวลา รถมอเตอร์ไซค์ชุดนี้เป็นชุดที่ 60 ครับผมพระเอกที่น่าสนใจเหมือนท่านหน้าครับอยู่ซ้ายเลข 60 ครับแต่ง 9 สิงหาคม เพราะเห็นที่ท่านบอริมิตรคุยเมื่อ 4 เอา 1 นายก 2 นางสาวกฤษณา 3 หน้าที่ 18 นางสุดามูลคุณกลืน 4 ก็กระทรวงเรา 4 คน 4 คน เลยไปทดสอบด้วยกันนะครับก็ชอบเตรียมวิเคราะห์บัตรบน เอ่อมีน้อง 5 คนนะครับมีน้อง 5 คนร้องคนที่ 1 คือยงยุทธวิชัยเดชคุณเฉลิมคุณโควิดแม่ในควบนะครับคุณหิรินทร์รักควบพาณิชคุณจุมพลควบกีฬาท่องนี้ เป็นอย่างความสบายก็ใช้ได้นะมันออกมานะคือไม่ต้องไปเตรียมอะไรธรรมดากันเลยครับเพราะนี่ 3 อํานาจ 1 อํานาจนิติประจักร 2 อำนาจ 3 อำนาจตุลาการใช้ 3 มาตรามากครับผมใน 4 อย่างพระมหาสัตว์ 650 คนแน่ครับผมนั่น 500 สว. อำนาจที่ 2 คืออำนาจบริหารพระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านทางคณะรัฐมนตรีเราคุยไปแล้วครับคณะรัฐมนตรีไม่เกิน 3 คือ พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจตุลาการผ่านทางศาลเพราะฉะนั้น 1 ศาลรัฐธรรมนูญ 2 ศาลยุติธรรม 3 ศาล 6. ครอง 4 ศาลทหารครับผม 3 เตี้ยครับศาลเทียนตาม 4 ศาลผ่านมั้ย มันมีอยู่ 2 ประเภทครับมันจะมีองค์กรอิสระท่านองค์องค์ครับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน้า 5 ครับองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญใส่กรอบ 4 องค์ 1 กตเป็น อง, าม, รร2 พูดตรวจการแผนดิน 3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งว่าองค์กรข้อใด 4 ข้อนี้ คณะกรรมการสิทธินี่อ่าเป็นฮอตอิชชูประเด็นลอค okay, หน 8 หน้า นัดฎิบายข้อที่ 1 คือ 16 ข้อโดย 16 นี่คือเค้าจะไปร่วมการเมืองโดยยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช่มั้ยครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการที่ข้อ 1 การแก้ไข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 สามารถทําได้ 2 สมาชิก <เอ a, S> 1 ใน 5 สามารถทําได้อือเนี่ยนะครับประชาชน 50,000 ครับผมนะครับก็สามารถสามารถเสนอแก้ไขและตําลงได้ครับเพียงเท่า ไม่น้อยก็ 20,000 บาทต่อต่อไม่น้อยกว่า 50,000 บาทแก้ไข 3 วาระวาระที่ 1 เค้าเรียกรับร่างประกาศมงคลไปไหนรับประกาศนะครับรับ 2 พิจารณาเรียงตามลําดับครับเอามาพิจารณาว่าเอ่อมาตรานี้เป็นอย่างนั้นนะที่ 3 ครับลงคะแนนว่า มีอยู่ 3 พาระท่านครับนี่คือกฎหมาย 2550 แก้ไข 2 และ 3 2554 มีหม 15 หมวด 309 มาตรหมวดที่หม 2 หมวดคือหม 6 กับ โดยข้อแก้ไขอยู่ทั้งหมด 7 มาตราแล้วอาจารย์ขอให้รายเหลี่ยมท่านมาพอเป็นเสร็จไปโอเคมั้ยทําข้อสอบเบิกค่อยทํา พระราชกฤษฎีการะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ครับตัวนี้ไม่ต้องไปจําว่ามันแก้ 2 ส่วน 3 ท่าน แล้วก็เขียนให้หน่อยครับประธาน กพร. กพร. ชื่ออาจารย์อะไรคณะรองท่านหนึ่งเค้าให้ไปเป็นมนตรี กพร. มาชื่อหัว หมายความอย่างนั้นครับคุณขอบอร์ดที่หน้านี้ครับท่านรักท่านๆอย่างแต่ เพราะฉะนั้นครับในกรอบอีกครับในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนบ้านเมืองที่ หลักการหลักนิติธรรมหลักการบริหารกิจการมั่นคงมี 6 หลัก 1 หลักนิติธรรม 2 หลัก หลักความโปร่งใสรื้อตรวจสอบได้ 4 หลักการมีส่วนร่วมรวมทั้งเป็น 4 หลัก 5 หลักความรับ 6 ก็คือหลักความคุ้มค่า Peace เดี๋ยวกันว่างแห่งคล้ายสมบัติค่าจดไม่หน้า 192 นะครับนี่หน้า 192 ดีคือมันเป็นการบริหารกฎหมาย ข้อใดไม่ใช่หลักบริหารกิจการมั่นมตรีก็ไก่หลักนิติศาสตร์ ไปดูมาตราที่ 4 ครับผมผมหน่อยครับในการบริหารท่านนี่นะครับการจัดระเบียบวนากรและการแผ่นดินมีอยู่ครคร 3 ลักษณะเค้าเรียกเป็นลักษณะครับ 1 ระเบียบว่าการแผ่นดินในส่วนกลาง สองการจัดระเบียบบริหารการแผ่นดินส่วนภูมิภาคคือจังหวัดและอำเภอ ข้อมี 3 ข้อแล้วกจํา 65 การจัด 1 สํานักนายก 2 กระทรวง 3 ทบวงซึ่งสังกัด 4 กรม ข้อใดเป็นการจัดระเบียบมหาดไทยการแผ่นดินส่วนกลาง 1 สํานักงานรัฐมนตรี 2 กระทรวงทบวง 3 ทบวงซึ่ง 4 กรมข้อที่ 3 ในประเทศไทยเรายัง พอเข้าไปครับเข้าไปนับใน คลมร. นั่นแหละครับมี 20 กระทรวงเพราะสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวครับ 3 การจัดตั้งการรวมกัน หรือจะรวมกันหรือจะโอนให้ตราเป็นพระราชบัญญัติครับบทใหม่ครับผมคือจัดจัดตั้งกระทรวงใหม่หรือรวมกระทรวง อัตราของพนักงานลูกจ้าง 2 ประเด็นนะข้อ 5 การเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อข้อ 6 ถ้ายุบทิ้งให้ตราๆนะ ขบวนซึ่งจากสำนัก 2 ครับหน้า 66 ต่อ 68 68 ครับการจัดระเบียบบริหาร 2 ครับประเด็น ส่วนภูมิภาคนี้เป็นการแบ่งอํานาจนะส่วนทางแหนงน่ะนะให้นั่นคือจะ หรือการตั้งจังหวัดใหม่เช่นจังหวัดบุรีหารเนี่ยให้ตราเป็นพระราชบัญญัติถ้าการตั้งระยุกที่ 20 ขึ้นมาครับผมเห็นมั้ยเนี่ยนี่นี่คือ เดี๋ยวจะขึ้นเกรดนะครับเกรด 20 เนี่ยต้องทําเป็น พรบ. นะครับแล้วข้อสอบครับจังหวัดมีนาคม 2554 ครับจังหวัด 3 จะประกอบ 1 อําเภอ ในในนน2 อำเภอสเอกาไหนนะครับกระทรวงมหาภัยรั้วที่ 1 3 อำเภอ 4 อำเภอ 5 อำเภอ 6 ฝาก 5 8 สิรินทร์ 4 ให้ จะนะไปเมืองการนะครับผมไม่มีอําเภอเมืองพญานาคนะครับเขาจะออกข้อสอบว่าพญานาคกี่ตัวโอเคจะ 68 ขึ้นมา การจัดระเบียบเวลาและการแบ่งดินส่วนภูมิภาคจะไปบอกไปด้วยจังหวัดและอำเภอการจัดตั้งจังหวัดขึ้นใหม่หรือยกจังหวัดทิ้งต้องตามเป็นพระ กรมอมรการจังหวัดจะไปสอบอํานาจจังหวัดนะครับผมได้ก็สอบ อบต. มาแล้วนี่คณะกรมอมรการจังหวัดครับเป็นกรมนะครับเป็นกรมเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าครับผมผู้สาบัสเกิดขึ้นใหม่ครับจะมีคณะ คือ กทจ. เป็นไงที่ได้ทํางานอยู่ที่จังหวัดไหนคะทํางานที่อยู่อยู่อยู่ ตำบลท่าใหญ่ครับตำบลท่าใหญ่อยู่ที่อำเภอหนองบะไหล่มูลครับจริงๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไป ตั้งอยู่ที่ทําลายซ้ายเป็นพระราชพิธีการของจะตั้งอําเภอท่านรายงาน การจัดตั้งยุคหมู่บ้านท่านเห็นข้อนี้เห็นมั้ยครครครคร 3 ครับ มันรูปแบบของการ 1 คือองค์การมหาดลข้อ 1 วงเล็บ 2 คือเทศบาลรูปแบบที่ 3 ก็คือองค์ โดยเฉพาะการจัดระเบียบมหานครการแผนนส่วนห้องดินรูปแบบพิเศษมีอยู่ 2 รูปแบบก็คือกรุงเทพมหานครและนครทยานเพราะครับ 76 ผมครูอะไรเดิมบริออกข้อสอบเพราะเคยออกข้อสอบกับครูเมื่อเมื่อ เนี่ยต้องเขียนได้ออกครับคือว่าถ้าผิดไปผิดเพราะกรรมการไม่ครับนี่คือพระราชบัญญัติ เชิญครับคุณยงยุทธพิชัยดิษฐ์เป็นประธานนี่ 20 นาทีแล้วอยู่ในระหว่างเบรกนี้ให้ทํา Ah, ma'k'i k'i k'i k'i k'i